สิบเก้านในห้องครัวคคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะ Har fått วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำาใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารใช้ไฟฟ้หอแสทำอาหฟฟ้ารือก๊สทำอาหรใชหรือสหารฟหอแก๊ทำอาหารใไหรืะแก๊สทหัรใช้ไฟฟ้าหรืกหรใช้อแก๊ารไฟ้หรือแก๊สทำาหรไหรือแก๊สทำรใช้ไฟฟ้าหกไหกอกสทรรรชก ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะฉันจะล้งกกางผัาดหแก้วน้ำอยู่ที่ไหนจานชามอยู่ที่ไหนช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหน คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะฮาร์ดูบ k กโศบนิดคุณมีที่เปิดขวดไหมคะ Har du f l a s k เกอป็บคุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Har du k ค r k e t r ท k k e r คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะค o กคือซุปเ p ็นในเด n เน่กรุต คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะร้นคุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะรเร์ดรุณ์ e r กเน่บน n ั a นเน่กินดิฉันกำลังตั้งโต๊ะร่นี่คือมีดซ่อมและช้อน h ี r ค r อ n i v ว r g a f านแ r og ระด e ษช็นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก h ี่ r ือแก s วน้ l จานแ n e r o ะดา r เช e t ปาก